พระพเจ้าคือจิตใจสะอาดจิตใจแพร่่วงจิตใจสงบ จ, จ, จิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวมองดูสภาพการเคลื่อนไหวของตัวเองดูเท่าทันเหตุการณ์นี่ซื่อนี่นะอันนั้นแหะคือพระพุทธเจ้าขันหาวู้ตามอันนี้ก็จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าว่าให้พระวักกลิกฟังพระวะกะักกลิกเลเกิดมีความสนใจขึ้นมาโอ้อันนี้บ น, นพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าตัวจริงเนะี่ยอยู่ใสเพึงกว่าตัวจิตใจสะอาด จิตใจใสว่างจิตใจใสงบจิตใจใบริสุทธิ์จิตใจคลองสใสจิตใจว่องไวนะคือพระพุทธเจ้าภาวะกลิกกมีจิวานสีว่าอย่ยพระบูรุษจักเด้คนอินเดียเว้ากันเน่ยพระบูรู้จักภาษาอินเดียพระวะกลิกก็เกิดสนใจเห็นธรรมะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะเมื่อรู้ธรรมะเห็นธรรมะแล้วที่เห็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้บม่เห็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้อยู่ไสก็อยู่ได้สบายใจอันนี้ก็คือกันแล้วเขามีศาสนาแล้วคันบอ มีเจ้าหวยจัวก็อยู่บัวได้เขาน้อยอกน้อยใจขันบัวได้รับสินกัน้อยอกน้อยใจดีอยู่แล้วอันนั้นเขาต้องอาศัยโตเฮาเนี่ยพระแปลผู้สอนขนซื้อนี่นะพอแม่พี่น้องผู้จักนี่ยพอสอนขนยศสองปีกับแปดเดือนเป็นโยมสอนเมื่อเจ้ากระหู้ธรรมะนี่ยเมนบอกเจาจัหวดเป็นโยมเมียนบอกเน่ยม่จีิประสาไม่ยังอย่างว่าให้ฝังอยู่นีาเรื่องกับอย่งบัณฑิตายเลยไม่ติงติบัณตายเล้อย่างนี้กะหู้ตนี่พอสอนผมเมีนบอกจะมาเลื่อง งั้นมันยังไดงยังไหวให้สือมาเลยเกือกกลางซียังไ่วคันไว้ฝั่งซื้อๆเลยโอ๊ยเสื้อหัวมันยังผัว่าอีกตืมล่ะเอาโบสัญญาขอเจไปให้หูใดโบให้เฮ็ดซื้อนี่นะผู้ใดหูน้อยการจทุกข์ก็จิลดไปผู้ใดหูมากทุกข์ก็จะหมดไปซื้อดีน่ะเฮ็ดโบ้มันทุกซื้อนี่เลยคันบ้ทุกไปด่าเขาผู้โบเมีนอีกต้มเนี่ยคันบ้ทุกไปลบลูบุญคุณเขาไปเอาของเขาไม่ของเขากระบเมีนเนี่ยทุก พ่อจิตใจสะอาดเอื้อจิตใจโขปกทุกพ่อจิตใจเศร้าหมองทุกพ่อโง่ทุกพ่อมือทุกพ่อบุญจะวางง่ายกว่ทุกเพราะโมหะบนรู้จริงทุกพ่อโทสัตทุกพ่อโลภะนี่เองทุกพ่ออุปทานยึดมั่นถือมั่นนี่เองถ้าหากเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาก็จะทุกข์แค่นี้มีน้อย ก, กินน้อยมีหลายหากินหลาย มีมากขาไซมาก ม, มากีน้อยขอไซน้อยมันก็สบายสิเนาะเขาไม่ได้เป็นนี่คนสันวะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนแล้วความทุกในโลกทุกเรื่งทุกอย่างบ่ทุกเท่ากับเป็นนี่คนมาสัน น, นี้เพิ่นวาแม่นากกั้นวงเน้อทมู่วาทางหลายทุกเขาเป็นนี้คนอันบ่ทุกเขาบ่เป็น น, น, น, น, นี่คนมาสันแม่หักก้อนหจักเนี่ยบัดนี้ยังไปยืมเพิ่นมาทามคน อย่งพ่อเห็นเนี่ยอย่งพ่อได้ไปหลายบ้านหลายเมืองก็พูดจากขายข้าวเขียวบวกลูกอะเนี่ยขายข้าวเขียวไปยืมเงินเขามาบวกลูกชายก็มีเป็นอยังสันได้แต่บ้านเขาก็อาจีพเป็นก็ได้บวกลูกก็ได้กัเรื่องของพ่อของแม่ของพี่ของน้องหอกอย่งพ่อบอกว่าอย่างสุดแล้วบางคนอย่างพ่อได้ยินข่าวทานเงินเมื่อตัวก็มีอย่างพ่อสมัยเว่าแพ็จอย่างฝั่งซื้อๆเี่ยอย่างพ่อสมัยอย่งพ่อเที่ยวเฮือจักอยู่ออื ห้องซีเมืองเป็นเหือจักของมหาอย่างคนนั้นอิตาคนนั้นคนจังหวัดหนองคายนี่นะเขามีลูกมีภูมมีเมียมีส่วนบากยําใหญ่มีนามีบ้านมหานักดีเนาะเป็นคนเมืองลาวอืแต่ยู่ถ่ายโศกสองภูมิเมียก็ยักได้บุญมหานี่ขอว่าเทศดีเนี่มหากระเสื้อมหาเอาเสือ้อเอาเสือ้อเอ า, เอเอาทานไปทานมาเงินก็นมัดแบบนี้ พอได้เงินมาแล้วก็จำเป็นต้องขายนาะบหรือขายส่วางยังไงยคนฮู้อย่างพ่อกระโ้จักขายสวนบางยังไงมาทำบุญก็เมื่อขายนะาเมืมือเป็นขายบ้านอี้ส่วมาปลุกอยู่กับบัดนก็ได้อ ย, ย่างเลยเอาเงินมาให้ฐานในะกันมาเฮ็ดเงิจักก็ได้ซื้ขขอว่าหงซื้เมืองแรกคู่เิจักม่งยังพออยู่เพราข่าวนั้นเม่อไอ้ส่วนทจะทันฮู้จักว่านสมนำหน้ามาอยู่โได้พอได้สามสี่หปีก็มาหาหนัินกับโบว่าดีแล้วก็ให้แต่มีเรื่องนีเพราะหยังอันนั้นพุกบอสห่นบ่ มัดเงนโง่อันนั้นนะจะขับาโง่เพืเคียดพาไปแ้วอคนโง่ให้สลัดอย่างว่ามันโง่ขันบอกอ้สิบโอ้ยบอเรื่องเงินมึงักเงินกูรักเาไสิมันกร้างแล้วทําันกระทำ้างผู้ได้แล้วชีวะจังเหนะทำมันแล้วก็บมีเงินสนุ้แต่ให้สนว่ามีเลืองไปหยังมาหากที่ไปว้าดีมันจะร้อนจะไหวไม่หยังเรามีเงินยุกระแขงนั้นไม่นึงเลยขันว่ามีเงินนีพราะมีพวกลายคนกันยังดีอันเนี้ย บวานำพี่นํนานอนบว้เอาไปอาบุญตายดังที่อนตกนั้นโลกระสนมนน้หน้าเด็คนแบบนั่นพระพุทธเจ้าสอนคนง้อให้คนสลาดสอนคนบูดีให้เป็นคนดีไปกับพันกันก็บอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วที่เห็นพระพุทธเจ้าจากเถืออย่างไดพระพุทธเจ้าตายแล้วในประเทศอินเดียคุณอ่ะเรานี้มันเส้นลูกเส้นหลานมาันเนี่ยพระพุทธเจ้าตายมาันได้ยังสำคัญยังไงครั้งที่หนึงคือว่าจากตีหวมูจานสถิติจึงหัวจักในี๋ยครั้งที่ห้าเนี่ย เขาจะตายไปได้ละ450ปียังนั้นมาจังัาอยังไนเอาไว้ยังนั้นมาเขียนหนังสือเอาไว้ยังเสียบัดนี้ถามมู่พ่อแม่พี่นองเนี่ยเอาถามผู้อาชีพอายุต่ำๆคนบูดูนเนี่ยบัดนี้ถามเอาถามพระนี่ก็ได้เอาคุณองค์ชายอายุจากปีเดียวนี่ง24ครับ24พ่อแม่ ย, ยังบอดเดียวหนึ่งยังครับพ่อแม่คุณองสายสด น, นี่อย่างคำแรกที่สุดจันได้บอไม่ได้เนะย อายุยี่สิบสี่ปีก็จจยังจําบได้อันนี้เพราะว่ากายไปแล้วสี่รอห้าสี่ปีจะได้มันเขียนไว้ผิดทู่ห้บวงจักจะไปทำลายอันนั้นมีไว้หั่นเนี่ยมันต้องเอาคนกินมาว่ากันอย่งนี่ไมเรื่องขันวาคนสิยงให้ฝังในโอ้ยมันบ่แม่ทำมา่บ่มีตาราเอา้ตาตรานั่นนะจีวานี่ยังคนขเขียนไว้ให้มันดีซื่อเนี่ยผู้เรียนมากๆจบปริยาเอกจากิปรยาเอ ก, เอกขันทุกยุคสมีประโยชน์ี คนเขาวาดต้องทำจำสิงส่งเหลือซมือบทุกอย่างไรตัวโจกสิ่งนั้คนไม่ได้เรียนหนังสือบรทุกก็สบายได้ป่ะนี้คนบอกเขาว่าต้องทำบรทุกก็สบายได้ควอมสบายในเพลินวสวรรค์จังวสวรรค์อยู่ในอกงานโลกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจวะจันทร์พ่อแม่สอนยังเสียเขาหักบกเข้าใจซื่อนี่นาอันเรื่องบกเข้าใจเดีย๋ยวพออย่างพะเราเขาเป็นคนตาเดียวคนหูเดียวคนเป็นอภาร เป็นคนซีกเดียวคนนั้นบรทธิสมบูรณ์ไม่ขุนพลเทาตาดีหูดีว่าเป็นวิพาทสมบูรณ์ไถเว้ายวอย่างต้องฝังพิจรารณามันมีเหตุมีผลพิจารณ์อย่างฝังคื อ, อเขาจําบทนี้กัได้พระพระเจ้าเหตมาแล้วไปเรียนกับอาลาได้บทไปอดเข้าอดนามคือกันนั้นแล้วเขาก็บเหต่างกันแล้วดีแล้วเหตอันนั้นบเมนทางว่ยคือเราแต่ฐานโคตรโบหูกับเหตไปแล้วเนี่ย เหมือนกันเน่คือกันนั่นแล้วแข้งขาหน้าตามือเท่ามีคือกันเป็นคนอมาพาตคือกันต่อมาเมื่อพระบริจ้าเป็นพริจ้าแบบสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและวจนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ ก, ก็จะรู้จะเห็นจะเป็ น, จ ะ, ปนจะมีย่างเราตถาคตนี้คือกันซื่อนี่นะ บ่นั้นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยพรอวัน Where? คือกันละท่นอันว่าใจรู้จ ะ, จะเห็นจะเป็นจะมีคือกันกับตาธาคนนี้กับที่ไปเห็นจิตเห็นใจเขาเนี่ยจิตใจาสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิจ์จิตใจคลองใสจิตใจว่องไวเมื่อจีมีขึ้นมาเขาจีเห็นพระพุทธเจ้าขาะเห็นเขาจีหักกรเดินไปหาพระพุทธเจ้ามาขอเส้นไหวเดินไปหาพ่อหาแม่เขาไปเห็นพอ่นพอเห็นแม่เขาเส้นไหวอันนี้อย่างโบเห็นพ่อโบเห็นแม่ทำบุญหาพ่อหาแม่เอา พ่อ <PTSD> แม่เขาจะได้ร so, ับองานเขาตายแลวคิว <helemaal not degradation but> well, ่าอย่างไหนรับก็บผู้ได้รับดีนี้นี่แล้วไครผู้ได้รับบุคคลจักแล้วเอาไปให้ญาพ่อญาพ่อได้รับแล้วเขาว่าเอาไปให้ญาพ่อเด้พ่อแม่จะได้รับโยมคนตายแล้วคือหาอย่างไหนเป็นคนมันไม่รู้จักซื้นเลยเด้อให้เขาเว้าเนน้อยอีกสุดนี่นะพ่อแม่เขาเจ็บใครได้ป่วยป่วยหลายเลยว่าเอาเข้าไปให้กินพ่อกินข้าวบ่อแม่กินข้าวบ่อข้าวอ่อนอ่อนฮ้อนอาหารดี โอ้ยพอกินบัได้แม่กินบัได้เมื่อยหลายนื่อยเนี่ยเป็นๆก็จะกินบัได้ตายแล้วไปเจ็บไปให้กินได้จะกินเต้นเนี่ยลองคิดดูไยคนมีปัญญาอย่างไหวให้คนมีปัญญาซื้อๆอย่างพ่อว่านเนี่ยแล้วไม่ทีมาสอนให้คนโง่ได้สอนให้คนสลาดซื้อๆเนี่ยยึดสลาดกระซ้าบัวสลาดกรตามแล้วไว้ฝังซื้อๆกันยัง่าเนี่ยเต้นยกันี้เอาไปกินบัได้เลยน่ะตายแล้วเพไปเอ็บไปให้กินอีกซื่อมึง่เนี่ย มันจะกินเต็นเนี่ยตายเดียวม่หมดตายไปหัวไปเหียวไปจุดไปเผาอย่างแต่พอเขาให้กินตึงมนให้แจกหาพอหาเม่ดีเยนเห็ุเนี่ยแต่พอเขาบู้จักคนหม่มันให้แจกหาพ่อหาแม่เขาน่ะเขาเห็นพ่อเห็นแม่เขาบ่บ่เห็นเอาบุญพุ่นมาให้พ่อเห็นแม่มันจะแม่นบอกอันนั้นพ่อแม่เขาจริงๆคืออ้ายเหาน้องเขาหรือตระกูลเขาเนี่ยพ่อตายแม่ตายเสียอกเสียใจก็มาปรับคมเข้าใจกัน เอาอาทิตย์หนึ่งหมว่างเนื่องเดือนหนึ่งหมมาประสมกันแล้วทุกเพราะเรื่องอันใดเป็นหนังผู้มีหนังผูมีก็เอาให้ผู้บ่มีแด้กินให้กินไปมันก็สบายใจนะ่พอแม่ไอ้เนอะสบายใจแล้วเขาก็สบายสนุ้มีเรื่องอย่างไรเราว่าเป็นลูกพวกบ่ฟังควมเนี่นะถามผู้ใดเนาะผู้ใดมีลู ก, ม, ลกมีหลายคนเนี่ยเอ้าถามพระอุ่นนะพระอุ่นไม่รูกจากคนสามคนเอาสามคนถามด้ว ขันลูกพ่ออุ่นว่าถูกกันนะอย่าให้เราขันลูกลูกพ่ออุ่นสามคนทูกกันพ่ออุ่นสบายใจบ่ขันลูกสามคนลูกพ่ออุ่นนะพีกันพ่ออุ่นสบายใจบ่เนี่ยกังหันจักรกังฟิ้งใส่หุ่นจักราบุญหาพ่อห้าแม่อันนี้ขันไว้ว่าโอ้ยลบลางประเทศเีเอาที่รบลางตายไปอย่างอันนั้นบ่ดีก็บอกซื้อดีนะกระบอกสกิลให้เสาเสากระฟังว่าเสก็ตามผู้ใดแล้วอย่าพอบ่ได้ห้าบ่ได้จับนี่อน่ยพอถาบุญหาพ่อห้แม่เน่ยพอแต่ก่ออย่าพอกับหุ่นจัก เฮ็ดวอย่าพอเข้าใจยังสิอย่าพอเดิเนยังซีจังว่าอ้น้องมีเรื่องหลักก็เอามาลมกันปรึกษาหาหรือกันอย่าทะเลาะผิดเถียงกันนื่อพ่อแม่เขาสบายใจพ่อแม่เขาคือตัวเฮานี่แล้วเขาสบายใ จ, พ, ยใจพ่ อ, จพอแม่เขาสบายใจจนวะเฮาทะเลาะผิดเถียงกันเฮาทุกใจพ่อแม่เขาทุกใจสนวะมันมีเรื่องจังไดกันเอะอดีตอนาคตแก้ปัญหาบา่ได้พระเจ้าเป็นสอดยังสันพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอดยังสันแก้ได้แต่พอปัจจุบันเคนวา่า คันปัจจุบันมันทุกข์มันก็ทุกข์ปัจจุบันมันบุทุกข์มันก็บุทุกข์จันวาเป็นอดีตอนาคตมันผิดมาแล้วเมื่อวานนี้ไปตีหัวเขาแล้วจะไปแก้ได้บ่เมื่ออื่นนี่จุกคุณจะกล้าไปไหว้ยังบันเทือมันก็ไว้ตัวเขานี่เดี๋ยวนี้ี่สกลจันวาอันนี้บอกแก้บ่ได้แล้วเฮ็ดผิดแล้วบาปแล้วยิ่งเฮ็ดไปยิ่งเฮ็ดไปยิ่งถล่มเข้าไปแล้วว่ามีเรื่องมีย่างคนเนี่ยว่าให้ฟังซื้อนี่น่ะคันว่ายังซื้อจะหาว่าเนี่ยพอนี่ วาอ่างั้นอย่างีให้พอให้เมยบ่มมยเนี่ยวะตั้งใจเอาวันนี้ก็มาว่าเรื่องผมรู้สึกแล้วองกรรมฐานตะกอนวันนี้วายฟังมาเรื่องเรื่องมนลอะไรให้ตั้งใจให้จังหวะให้รู้สึกตัวพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นให้รู้สึกจะทำซ่าซ่าอย่าหิวไหวมันคิดให้มันอยู่กับคนรู้สึกอันนี้มันคิดอันรกระทำซ้าให้มันอยู่คนรู้สึกอันนี้ความรู้สึกนี่มันจะทำหน้าที่ของมัน อันความรู้สึกนันมันเป็นความคิดมันเป็นโมหะอันความรู้สึกนี่มันเป็นความรู้สึกเพอเอิญปัญญามันเอิญเอิญว่าวิญญาณวิญญาณไปความรู้เสัญญาไปความหมายรู้จำได้สัญญาตัวนี้มันจะทำหน้าที่มันสมมุติว่าบุบิภัยมาถามเขาจากเทือตาเขาก็มีอยู่เขาบูรหุจักว่าตาตาจะมีบ่มียึดสายจักปรับทุกโหลดมันจะหู่จักหลังสันหูมีบ่หูจักทุกปักโหลดมันจะหุ่นจักอะไร อันคมโอ้ด ค, คมโลภคมหรอกคือกันมันยุ่เสียมันจีบหัจักอย่าัต้องาสัญญาความหมายรู้จันได้สัญญาตนนั้นมันจะทําหน้าที่ของมันเองให้ทําความรู้สึกตัวนี้ไปอันนี้มีเงื่เนไขได้บุบี็เงื่ได้โดยโบเบีย้เบียนผู้ใดอันนี้แหละทําเราใดเป็นไปเพื่อความบเบีย้เบียนตนเองและบเบี้เบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติพนว่าจังสัน เพนยังว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตัสาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราปัสสาคตนี้เพนว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิจฉาบุตรทั้งสี่ยืนให้มีสติรู้เดินให้มีสติรู้นั่งให้มีสติรู้นอนให้มีสติรู้เพนว่ายัางบอบพอ ให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคูเยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีการให้รูเพื่อหนังเพื่อให้เฮารู้สึกตัวให้เฮารู้ตัวเฮาตื้นตัวเฮามานจินึกมันจิคิดมานจิทำอะไรมันรู้อยู่นี้เมื่อเฮ็ดเข้ามันรู้เข้ารู้เข้าเบ็ดเดียวเดาพิษตามันก็จิรู้หายใจมันก็จิรู้จิตใจมันนึกมันคิดมันก็จิรู้แล้วก็คนรู้แต่คนมันทุกข์เพราะใจคิดซื่อนีเด้ใจมันคิด เขาไม่ได้เอาปัญญาออกนะเอาความคิดออกนะเขาต้องเอาปัญญาออกนะให้ความคิดตามหลังเป็นว่าอัางสั้น พ, พ้พดเอันปัญญ า, า, านีาก่กับบาวาร์บาวาเป็นเอาตัวคามรู้นี่ออกนะจีเห็ดอย่างไปอย่างให้รู้สักก่อนปัญญาพน อ, อ, อื่นรลบรู้ดีญญาคนอื่นบรรู้อันเดียวกัาได้ปัญญารบรู้กับด ญ, ญาเปว็วารู้กับปัญญาเป็นความารู้จะได้โตน้นคนได้ ป, ญญออประโนญาีปัสจเกิดขึ้น เมื่ออยางเกิดขึ้นแ ล, ล้วมันจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคนว่าจังสันแล้วก็จะเห็นพ่อเขาจะเห็นแม่เขาคืออย่างพวานนี่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสนัตว์มีนี่เลยโบ๊แม่รอแล้วสัตว์นะถ้าเห็นตัวเขาไม่ได้ออกไอ้นองกูมีแต่โอ้ยพ่อกูเด้อีแม่กูเด้นนั่นนู้นแต่เด็กพวอื่นมันจะคือพอ่อคือแม่จซื้อคืออ้าคือนอ้องแต่โบ๊แม่ไอ้ไม่นองกูแท้ยังเห็นผู้อื่นกายมาคืออีพอ่อแท้ไปจักแขบนบ๊ม่บ๊แม่นซำ ไปจับผู้อื่นคือแม่จะไปจับแขกโบมีนลูกเขาไปจับนั่นคืออคือน้องกูกับโบมนไปจับน้องเาแทแม่นน้องเาแทท้ไอเนี่ยไปจับไอเขาแม่นไอเขาแทบแท้อเนี่ยแม่นโนให้ฟังในบแม่นแทเทบอกการจับาอจับน้องแม่นแทบทบอกน่ะปัญญาีคือยัง่าอันน้ไว้ฟังสื่อๆเรื่องคิดอะไปัญญาจคือเด้ยัง่าคิตอยู่ในมืเทนออยู่ทำนยอยู่ลดเทนอยาวาทีได้ให้คอคิตเป่นเครื่องเปลี่ยนจิตตกิจใจมามือนี้ก็มาให้สมควรไได้เนี่ย ย่าลืมโตพากันเดินจมกรมเหตุจังหวะมากๆให้หูจกกักขามจริงแท้เนี่ยพอว่าไม่ฟังเป็นวิธีให้กรรมฐานเมื่อกี้นี่นาว่ะเลือดเนื้อเหื่อเอ็นจกเหืออแท่งไปขอตากระดกจะผูกพังไปขอตามถ้าไม่รู้ไม่เห็นจะไม่เลิกละอาเ น, นี่ยพอบอกว่าจะไม่หนีไปะจะกที่นี่น่บอกว่าจะไม่เลิกละจะไม่ท้อถอยอาจาร บ้านนี้ขับมาให้ที่ปัสนานะมือหนึ่งสมือโอ้ยรู้แล้วล่ะเียกปัสนาเก่าคืนไปคือเก่าตาย่ังไหนโู้ห้จากเรึ่องยพอู้ยจากจีรนั่งบางคนมาฮห้ตีนึ่งสองปีกลับไปคือเก่าเอ้าอันนี้ก็วาให้ฝังซื้อนี่นะตัวมันกุปะธรมโมอะกุปะธรรมโมปาลิหะณะธรรมโมเจตนาภะโภอนุลคณะภะโุทุสโนโคตะลภูสันเงซื้ออภิธรรมเีตเยพอซือไป้พวกอูนไปบงกาว่าเสียทพทนบอก เก่เกียณแล้วกับโบราณอะไรเนยพระจหาซื้อใหม่อันนัพันว่าสารเสื่อมบอกหรือว่าจิบหายบอกพน่าหวานอันสารเสื้อมมัมีเรื่องอลไวมาปฏิบัติธรรมาแล้วเจ้าของจีเริกได้หลือกลับคือไปคืเก่ามันโบรากแล้วเพเมันเสื่อมอันนมันจิบหายเลจบหายยุ่ธศาสนามันหมดแล้วไปคือเก่ามันจิบหายเป็นว่าอนุรักษณะพระผมมันรู้น้อยเกินไปพุตทุสโนมันเป็นบุตทุสโนโคตรภูสนิจักผ่มซัวให้ได้ ไปอยู่ควบเป็นอะไรบุคคลซะคืออย่างพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเหานี่แหละจิตเป็นพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นพระพุทธองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าบนใดเหนือจิตู้จักว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องไสจิตใจว่องไวอันนั้นเป็นจิตใจพระพุทธเจ้า เราก็ต้องให้คอยมีตามทีละอันสองอันปัจจุบันจอมันมันมั่นคงไปขันมันมัมั่นคงพยานทำให้มันั้นมั่นคงจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นอันนี้ถ้าผิดแต่อางนี้เราก็บรมแมงขุมคิดเนี่พอเนี่ยพอเห็นย่งนี้เนี่ยพอกขาเลยว่าขุมริงนัีให้ฟังเอาแหละท่าที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงอาคุณของพระพุทธเจ้าและท่าธรรมคำสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แมะคุณของพระอาันตาสาวกพระสมมาสัพพุทธมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญารรมความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจให้ดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นให้พวกเราทุกคนนี่แหละจงได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเถอดมิมนเพื่อนภิกษุแเนน ต้องใจฟังแล้วก็เจริญพรญาโยม ท, ทุกทุกท่านตั้งใจฟังการฟังเลยต้องจดจำาย็กศึกเป็นคนมักหลงมักลิมจดจำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าหากบวชประพืติปฏิบัติแล้วมันจะบวเข้าใจมนเสียรูปแบบสำหรับบ้านเฮาบ้านห่มเนีย ว่ามันเป็นกำเนิดเป็นที่ปฏิบัติธรรมเมืองแรกที่บ้านเขาแล้วนนนันานานแต่ก็เลิศเสื่อมสูญหายพนันไปบุดีอันนั้นมันบมั่นคงมันบตลอดไปได้เพราะอย่างเพราะเขานี่เองเป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำเป็นคนมกักว่ามากคุยเสียลูกหลาน สุดท้ายภายหลังมาเห็นเาขาเขาก็เป็นคนมากว่ามาคุยยังสันในบ้านอื่นบันไก่มาเห็นเขาก็คิเป็นคนมากว่ามาคุยสันกั บ, ก บ, ก บ, กบเจ้ากระเจี๊ยไปเว้าวุ่นอื่นพุูนเขาต้องพยายามให้เป็นตัวอย่างเปอย่างสันคือว่าตัวอย่างที่ดีนั้นเว้าแต่เฉพาะที่มันมีผลมันเป็นประโยชน์ถ้ามันไม่มีผลไม่เป็นประโยชน์นั้นเขาก็บวววเมือ่อบวววสี่คกนกระตั้งใจฝังเบื่งเขาซื่อ อันนี้นํามาเตือนกันดีแล้วที่ห้องเฮ็ดอยู่นี่ทุกปีมีพระกระร้างบูมีพระกระตามาห้องเฮ็ดกันเปิดอบรมกันเลิกเอวันพระวันศิลป์ห้ก็พากันมาอยู่บาทีเมื่อมาแล้วเ้าก็ต้องตั้งใจทําถ้าเา้างบูตั้งใจทําแล้วมันจิบูได้ประโยชน์เท่าที่ควรอันนี้ก็เพื่อว่าเตือนวากราวกัน ปฏิบัติธรรมะในเบื้องแรกเขาได้ฝึกขัดกันมาพอสมควรพิจังหวะสัากุใหม่แล้วก็พิจมือขึ้นก็นให้รู้สึกตัวให้รู้จริงๆอย่าซตัวเพียงว่ายกมือแล้วรู้ซื่อๆผมยกเม่ยสังกับโบแมนให้มันรู้สึกตัวคือเขาหายใจเขา้าหายใจออกคือเขาพิบตาเขาพิบตาอยู่งนั้นเขาหายใจอยู่รงสั น, นเขาบ่ามีสติเขาก็เลยบุรู้ รู้ยุอันรู้อันแบบหนึ่งมันไปาาตามสรรพาทะยานให้มันรู้ด้วความสัมผัสจริงๆนี่เป็นวาสและบัดนี้ผมคิด่าไปสนใจมันเถอะเอาให้มันมีสติอยู่กับความเคลื่อนไหวให้มันรู้สึกให้มันรู้มากๆนั่งคันเวลาพิดเขาก็จะสุดไ ป, ปมาลุกปุ๊บปับ๊บรลดบอดีนะค่อย ลุกขึ้นให้มีจังหวะคือยังห่อหัดกันลุกมีจังหวะลุกนั่งเปลี่ยนทานนังเมื่อเปลี่ยนทานนังแล้วเขาอยากเปลี่ยนทานนังเพื่อไม่กลให้มันซาๆอย่างนั Rights ้นให้เปลี ну ่ยนทานนังเป็นจังหวะเป็นจังหวะอย่างนั้นเมื่อเขานั่งนานแล้วเขาอยากไปยางาจะคอยยางลุกขึ้นไปยางเวลาเขายางเมื่อเราจิมานนั่งให้มีจังหวะคอยนั่งลง มันยังงามพระพุทเจ้าเป็นสอนว่าให้มีสติรู้ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ขูดเหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสอนไว้เขาก็มาเฮ็ดตามเพิ่นเฮ็ดแล้วมันจะเป็นทั้งใดสัตวมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเฮ็ดน้อยมันก็รู้น้อยเฮ็ดร้ายมันก็รู้ร้ายเพราะความมั่นใจของเขามันก็จะมีขึ้นตามควมรู้ควมเห็นของเขานั้นเป็นกางสั้น อันนี้คันว้าแล้วผมมันชอบว้าแต่เรื่องตัวเองตัวเองเป็นแสดงเอาความจริงที่ตัวเองเป็นนั่นแหละมาล่าให้ฟังเคยว่าให้พ่อแม่พี่น้องผมรู้ตอนเศรารู้เรื่องรูปนามเบื่งไล่มือโเห็นคักแม่งอดตกสียขาพอดี่นม่งอดตกสขาแล้วปกติผมมันอยากปัดจากปล่ออก นั้น้านั้นมันโบตัดโบปายมันเบิ่งมันเบิ่งงในพิจารณามันรู้จักว่ามันแมงอดก็เป็นรูปเป็นนามคือกันขาผมก็เป็นรูปเป็นนามคือกันในขณะนั่นนูกางเกงขาดสั้นน่งผระเพียรอยู่มันตกขาดผ้าผ้าขากางเกงหันผ้าเก่นมันมันหดเข้ามากับแปลงขาอยู่นางพระเพียรอยู่ตกลงมาแมงอดแล้วมันมีลูกลูกมันหลาย จกลงลูกมันก็แล่นานาขาดนั่นแม่นก็เลยมุดอยู่คือเก่ามันผมก็เลยรู้จักรูปนารูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างว่าให้ฟังเรื่อยๆเดินแล้วรู้จักรูปโลกนามโลกทั้งสองอย่างแล้วก็รู้จักทุกขังอันนีจ้จากอนัตตาโลดทุกขังหมายถึงมันติดอยู่กับรูปนี้แต่ก่อนมันโ บ, บหุจัก มือจักอยู่ของวาใจมันบูรับรู้อันนี้จังมันบูเที่ยงอนัตตาบังคับบัญสมันบูได้พอแม่ครูก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนสอนก็ยงเั็นบุหัวจักรมือหัจักซึ่งเหล่านี้แล้วก็หู้จักสมมุติหลดสมมุติขี่สมมุติเทวดาสมมุติบวชสมมุติศึกสมมุติวัดสมมุติพระพุทธโลกเนี่ยมือจักในขณะนั้นแหละม หัวจากสมมติแล้วก็หู้จากศาสนาหัวจากพุทธศาสนาแต่ก่อนนั่งศาสนาผมเข้าใจเอาว่าเป็นพระพุทธรูปนี้เป็นศาสนาหรือวัดเป็นศาสนาธาตุต่างๆเป็นศาสนาตัวหนังสือธรรมหนังสือลาวนั้นเป็นศาสนาเข้าใจง่ายๆเข้าใจจริงๆอย่างกุฏิวิหารมูลนี้เข้าใจเป็นศาสนาเมื่อนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ลด ศาสนาเนคือตัวคนนี้วะท่านตัวทุกคนเนี่ยเป็นตัวศาสนาผู้หญิงก็เป็นศาสนาผู้ชายก็เป็นศาสนาศาสนาจึงแปลว่าขำสั่งสอนของทานผู้รู้ซ่อนตัวเองเนี่ยซ่อนคนเนี่ยคนมันบรู้ดจะสอนให้คนรู้ซื่อๆนี่พุทธศาสนาท่านพุทธคือตัวมันรู้น่ะ น, นะให้มันทําหน้าที่มันรู้เนี่ยเฮาพิกมือขึ้นกระรูยกมือขึ้นกระรู เราเรียบึ้งท้ายก็รู้เลียบึ้งขั่วก็รู้เรียบไปทางหน้าก็รู้เรียวขึ้นมาหลังก็รู้ตัวรู้เนี่ยเป็นพุทธาศาสนาให้เข้าใจว่าพุทธาศาสนานั้นคือตัวรู้นั้นกรำมือก็รู้แยียดมือก็รู้พิษตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้อันตัวรู้นั้นเสื่าพุทธาศาสนาพุทธะจึงแปลวผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานด้วยธรรม ธรรมะก็คือตัวเขาทำเขาพูดเขาคิดนี่แหละแล้วเข้าใจอย่างสั้นเข้าใจแล้วก็ บ, บ่นหลงบ่ลืมจักเถื่อนน่าเป็นอสั้นเหตุอยู่อย่างสัน้นเข้าใจอย่างสั้นอยู่เมื่อบุมีคนมาถามก็เสย อ, อยู่มีคนมาถามเรื่องนี่หู้จักรถคนที่มาถามเรื่องแตงหู้จักเรื่อง น, นั้นรถเข้าใจอ่าบ้าปเป็นบ้าก็คือโงนั่นแล้วคือมันมืดอยู่ในใจคุณใจนบุบสว่าง พูดเลว่าอันใดมันโบสว่างบาปคือโง่โง่แล้วมันยังเห็ุทังสันบาปคือมืดมืดแล้วมันยังโเห็นทางไปบุญเล็บเนี่ยบุญคือรู้เนี่ยรู้แล้วมันสบายใจเนี่ยบุญคือยังบุญคือสว่างเนี่ยพราะมันรู้จักทางไปเลยเนี่ยมุญเป็นสว่างตานี่ใจเพราะมันสว่างมันรู้จักทางไปรู้จักเพิดรู้จักโทษเนี่ยบุญแล้วจบพักต้นอันผมผมรู้จังสัน เมื่อหูจังสแล้วกรทำขวนเทียนเห็ดจังหวะเดินจงกรมเอาอยองสนามบบปากบวาวโบคุไยไพ่เพราะมันกุฏิกัไก่โม่ตอนที่ซีมีควมบบปากบวาวโบ่ลุมกับหม่นี่คือผมต้องการอยากหู้ธรรมะอยากเห็นธรรมะอยากเข้าใจธรรมะ แต่หักบุหูยากหูหักบุหูจักบวหูจักตัวเองมเลยบหุหูในสมานนั้นไปปฏิบัติธรรมะพร้อมกันเมโยโมห้าคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนผู้หญิงนุ่มๆ น, น, นี่อายุในเกณฑ์สิบแปดสิบเก้าปียี่สิบปีนะหรือยี่สิบเอ็ดปีคือแม่ลูกแม่มนงยี่สิบเอ็ดปีแล้วก็ผู้ชายสองคน มีนาะงห้อยพอม่มกนึกับนางพอนี่คนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมานาะงห้อยพ่อมกกับนางพอนี่เป็นคนชอบพอกันมาแล้วเมื่อเด็กมาแล้วนะครับพ่อม ก, กับพ่อปกหัวมาหาแล้วหลวงพ่อก็ห น, นีโบปากบโบว่บาบบคุยเห็นนาะงห้อยพ่อมกุลมาแล้วหลวงพ่อก็นีนั่งอยู่กุติก็ของมันมองเห็นมากล้วเห็นเรามาแล้วหลวพ่อก็ลูกหนีไปย่างเดินจงกรมอยู่คุณตากแดดอยู่คุณเพราะมันโบหมีไม่อยอมมันเป็นทงนา ยางอยู่มีกกสุมพาะกับกกมันมักรทันยืดตรงกันพวกกัย่างเดินอาศัยคนละคนบ่าพ็สองสามมืออย่างนะงกบไปปากไปเว่านําแล้วก็นหนีก็เลยบ่ามาหาจากเธอก็ได้เฮ็ดเอาเต็มที่บัด น, นั้นเฮ็ดเจนว่าเจ็บแขดพูดหละเฮ็ดจังหวะไปเดินจยก่งก็เดินอยู่จนมันมันหายไปเจ็บแขนเจ็บขานี่ยทำอิดมันต้องเจ็บ เจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอว เ, เดินไปขอๆแล้วมันก็หายไปได้ทำอย่างเสีอยู่มันเลยเลยหัวจักหัวจักแล้วก็ บ, บ่ลลงบลลืมเพราะว่าสัญญาหัวหมายรู้จำได้เป็นว่าสัญญาตัวนั้นมันทําหน้าที่ของมันแล้วมันแล้วบหลงบลลืมเป็นส่บลลแม่สัญญาไปจําว่าเจ้ามีเสื้อจากผืนมีผ้าจากผืนมีเงินจากบ้านมีม่ีผ้าจากดวง มีให้เมนาอยู่สิใดบ่ไบม่จํำสัญญาตัวนี้อันนั้นมันจําเข้าทางหูสัญญาตัวนั้นมันสัญญาจํามาซื่อๆอันนั้นมันหลงมันลืมเป็นเข้าทางหูสัญญาตัวนั้นมันสัญญาจํามาซื่อๆอันนั้นมันหลงมันลืมเป็น อันสัญญาตัวนี้เนี่ยฮวากระยุสัญญาสัญญาเนี่ยมันซื้อคุมเดียวกันซื้อว่าสัญญาเนี่ยคันสัญญาตัวนั้นมันได้ทําหน้าที่มันแล้วมันบ่หลงมันบ่ลืมอย่าพ่อเว้ามาอยู่จากหลายมือหลายวันหลายปีมาแล้วหลายเดือนมันก็เว้าขุมเก่าในยุนสิเมื่อจากอันนี้เลยนะพ่อกับเดินกลับไปกลับมา แต่ก้อนเน่ยพอบเคยหูจักคมคิดตัวเองมาหลวพอนึกว่ามีคนมาซุก ข, ข้างเนี่ยเลี้ยวไปทางนั้นทางนี้บบเห็นคนย่างกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาเตือนทีสองนี่ผมรู้โอ้มันคิดได้เ น, นี่ยเนั่ยหูจกักหลุดเห็นหูเข้าใจเหมือนคนละอ่านกันคิดมาเท่าสามนี่หล่อก็รู้คักบันนี้ก็สมมุติให้ฟังฮคือแมกับหนูเนี่ย ตแมวกับหนูนั้นมันเป็นของศัตรูกันเขาก็พยายามเอาแมวมาเลี้ยงไว้บ้านเขามันมีหนูแมวมันโตว้นตัวพีมันได้กินอาหารดีๆมันก็ใย่ายไปหนูออกมาก็จับปุ๊บหลดหนูมันซอบอยู่ที่มืดแมวมันมือกระซังอยู่ใสกระซัมันเห็นมืดหนูออกมามันเห็นรลดมืดเป็นอะไรก็เห็นเนืตาคนในสู้ตาแมวบอดาย ขันที่เอาทางไกเลเนี่ยสู้ตาคเนเอาโรได้ตาคเนเอามองไกลๆเห็นแมวเนี่ยมืดมันก็นเห็นเนี่ยให้เขาเข้าใจนะจ๊ะอย่างว่าตัวหู้กับตัวโบหู้เนี่ยมันตรงกันข้ามที่อย่างพอไว้ฟังเนี่ยตั้งใจตั้งใจเฮ็้จังหวะตั้งใจเดินจมกรมเฮ็ดหลายให้เลยผู้อื่นเฮ็ดให้เขาบรได้ผู้อื่นเฮ็ดกับผู้อื่นหู้เขาเฮ็ดกับเขาหู้แต่เนื้ พอดีหูจากผมคิดอันนี้แล้วก็เลยเห็นหูเข้าใจวัตถุไม้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุเนี่ยต้นไม้ผูเขาห้วยหนองคองบึงเสื้อผ้าเงินทองนี่เป็นวัตถุทางนั้นอันวัตถุอันนั้นมันเป็นภัยเนอกให้เราเห็นสกอร์นี่สิวัตถุเข้า่าภายน่ะคือเนื้อหนังแข้งขาเหาเนี่ย อันนี้ก็เป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาหยับถูกด้วยมือวัตถุอีกส่วนหนึ่งคือตัวใจมันนึกมันคิดฝุ่นอ่ะมันเป็นวัตถุอวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่ที่เป็นวัตถมันมีอันใดเขาจีเห็นจีหูเมื่เปิญวะอันนั้นเนาะสัญญามันช่ไปรู้เอาจากสันที่ว่ามันบุหลงบุญหลือวัตถุปรมัดเป็นมันเข้าไปสัมผัสแนบแน่นกับอยู่สันมันเห็นมันหูอยู่แต่เพื่อนปรามัด เห็นสะพอน้าอัสสันฮาวานเขาเห็นยู่มียู่เป็นยู่เพื่อนปรามัดอันนั้นมันเห็นยู่ช่างสั้นมันเป็นยู่อย่างสั้นอันนี้มันมียู่อย่างสั้นเพื่อนปรามัดอาการนะสหมายถึงขวมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นยังดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของเมืองก็คือกันเสื้อผ้าเงินทองเฮาไ้ก็คือกันมันเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอาการของมัน ลื่นเนื้อหนังแข้งขาเขานี่ก็คือกันน้อยแล้วก็ยิ่ขึ้นมายิ่งหมาแล้วก็เท่าแก่ตายเน่าเข้าลงไปเองนั่นก็เปลี่ยนแปลงอาการของจิตใจนี่ก็คือกันมันนึกมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามันเปลี่ยนไปเมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้เข้าใจอันนี้แล้วหลวงพ่อก็เลยเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะนี่แหละโทสะโมหะโลภะจะก้อนหลวงพ่อว่าเป็นหักโมเห็นหักบมลู บาดเห็นบัตหูแล้วเหมือนโมล่งบมลืมเนี่ยพอได้เห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะนี่แล้วเวทนาก็มีอยู่หักบุตุกเวทนาเป็นวัฏสวยอาร้มเหมือนกันเป็นวายเหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนสัญญาก็ควรหมายรู้จําได้สังขารปรุงแต่งเลวิญญาณเป็นวารู้อันอันเจก้อนนั่นคันว่าตายไปได้กระดวงจิตวิญญาณ น, นี้ ยี่ลอยไปเองสั้นเขาทำบุญมากๆแล้วก็ยีมีเทวดามาเซพมางานเอาไปดวงจิตวิญญาณไนี่เข้าใจยังสั้นขันไปทางดีขันไปทางซัวก็ตายแล้วก็ญาญโยงพิบาลเจีเอาเสื้อลากคอไปเข้าใจยังสั้อันนั้นบุแม่นี่บแม่อย่างพ่อหุ่นพ่อแม่สอนมาหุันอันตัวอย่างพ่อหุ่วิญญาณไปว่ารูนี่เด็บุแม่อย่างนวิญญาณไปว่ารูนี่ตายไปแล้วบุรูไม่ยัง โอพอดีหัวจักอันนี้แล้วหัวจักรถเนย่าพอ่อว่ากูนี่เป็นพระได้เด้ยางอยู่คมกะยาวยโอ้หัวเป็นพระมันเป็นังซีเด้หนักหนักโตหลวงพ่อเ่ยพ่อไวร์ร้อยอกิโลนี่หลวงพ่อเบาขึ้นรดหกสิบกิโลอย่างน้อยที่สุดเด้เนี่าพ่อนึกว่าเ่ยพ่อเบาได้แปดสิบกิโลเฮ<ะ>ื้อมึงบัดเนี่ยวาฉันสมนำหน้าวะวะ มันเบาจิตเบาใจโหลดเลื อ, อย่ดอกจากยี่สิบกิโลดเดินจมกลมไปในขณะนั้นใจหลวงพอเปลี่ยนสองครั้งปุ๊กปัดไวที่สุดพอดีเห็นอันนี้แล้วเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมเห็นหู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นเข้ามาโลดหลวงพ่อก็เลยรู้จักมักรู้จักผลโหลด โอ้มักเหมือนเมนอันนี้ผลมันเม้นอันนี้มักผลโอ้ได้กระแสพระนิพานมาถึงว่าเห็นความคิดนี้โทสะโมหะโลภะมันจืดมันจางไปแต่ก็อนั่นขันเครียดขันโกดให้คนนั้นมันเต็มที่มันลดสมให้ฟังน้ำสีน้ำแดง น, ดน้ำดำคนเอาไปย้อมผ้าขาว ้ามาจิตติดเขาน้ําสีน้ําสีมาจิตติด้าเอามดืดำมดำมืดแดงมืดผาเพราะน้ําสีมันดีเนียบัดนี้มาเห็นมาหูแล้วน้ําสีเต็มกระปองกระทําสร้างคุณภาพมันเสื่อมให้ว่านั้นยอมไมอ้อะไรไปเอาไปยอมผ้าขาวมันจีบติดติดเหนือผ้ามันติดกระติดน้อยที่สุดเอาไปซักน้าํามัน อ, ออกโลดโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยหูจกักสัน เ่ยพ่อหัวจั ก, กสัน้นแท้ๆเนี่ยเพราจึงโบเสือ้อโบเสื้อไผยกระเทเนี่ยพ่อพ่อแม่พี่น้อง ก, กับคุณจิ้งหัจักแต่คนเน่าพ่อเสื้อฝั่งขมพ่อขมแม่ขมอ้ายขมน้องว่ายั้งเนี่ยพอเสื้อไปเมด่อนี่ยพ่อเป็นคนหัวอ่อนแอให้ได้ไบัด น, นี้เน่ยพออ่อโบเสือ้อเสื้อให้ยั้งขนบูหัเวเบาเนี่าพ่อหูวจักแท้แทเด้อโบเป็นหูวจักนําคําเหี้ยนเนีย่ยพอื่นเนี่ยมันหูวจักมาจากกฎธรรมศาสตร์ของมัน ในมนหัจังสิจงว่าวิปัสสนานั่ชืึงมีอารมณ์ครูบาอาจารย์สอนอารมณ์หกว่าท่นให้รู้จักอารมณ์หกขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทให้เลียนเฮียนให้ยั้งอันนั้นขันห้าก็คือลูกเขาเนี่ยรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณในพลังขันห้าอันนี้อัยตนาสิบสองจนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภายในสิ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นอัยตนาภายนอกคนวัดรวมกันเป็นเอิญอันยตนาสิบสองธาตุสิบแปดแบบนี้จักคู่คือตาจักขู่ธาตุคือธาตุทางตาจักขู่วิญญาณธาตุสิ้นคือวิญญาณทางตาแน่ สามหกกระปิสิแปดเสนอจะไปเฮียนไม่ให้หยังสัน่นเฮียนกรดีบวัวมันบัดีเฮียนก็ดีแล้วแต่มันบัวหุจักทบ่ดีผู้ใดมาว่าให้มันโกตรมันเกียดติเขามันผู้หันงามผู้นี้บัวงามมันวาไปซื้อๆนี่นะี่เหมือนบูดว่าตายเห็นให้มันเห็นซื้อๆอย่าให้เป็นรูปผู้หญิงย่าให้เป็นรูปผู้ชายอย่าให้เป็นรูปสวยรูปวงบัวงามเสนาวาซื้อๆได้เมืนขวมเว้าอันนั้นมันบวัวเป็ี่นเลย มัานมาเห็ุอันนี้มันเป็นได้มันหูจักมันเป็นธรรมชาติของมันจึงว่าสั่งงาควมหมายรู้จําได้เป็นว่าให้มันได้ทําหน้าที่ของมันคันมันทําหน้าที่ของมันดีแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเนี่ยว่าอย่าพูดอย่าคุยกันมากทําให้มากให้จังหวะให้มากเดินจมกลมให้มากนั่งอยู่ผู้เดียวให้เป็นเขานั่งอยู่ผู้นึงผู้เดียวเขาแล้วก็เบิ้งมูอเบิ้งเพื่อนเฮ็ด เพิ่นเฮ็ดน้อยเพิ่นเฮ็ดหลายผู้ใดเฮ็ดหลายมันได้หูหลายผู้ใดมาเฮ็ดน้อยมันได้หูน้อยคือเขาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหลายมันก็ได้หลายเส้นเขาก็ะไดเฮ็ดให้ก็คือกันนั่นแหละมีของก็ได้ขายหลายเส้นให้คันเฮ็ดนาก็คือกันคันเฮ็ดน้อยมันกันได้น้อยเส้นเฮ็ดให้ก็คือกันเหมือนมันก็ได้น้อยหมดเฮ็ดน้อยได้น้อยแล้วอยากเอาไปขายหลายมันจะได้ขายมันก็ได้ขายน้อยเส้นเขามันเฮ็ดน้อยมันก็ได้กินน้อยเส้นบุคอกินซ้ำเส้นโบราณคน อึดเข้าในบางคนพ่อเฮ็ดยังเนี่ยพอเฮ็ดน้อยคานเป็เฮามั่นเหมือนนี่มั่นก็เฮ็ดลายก็ได้ลายสิหนูกินกับพอกินสิหนูเลือกกินกับขายได้ผลเขาก็ได้เพราฉะนั้นมีเขามีเขานี่มีทุกอย่างขนามหูแล้วมีเขามีเขาคาว่ามีเขามีเขาเนี่ยเขามีหลายกรณีแล้วบนไปแดกไปหามาก็มีแล้วเอื้อไปหาก็มีแล้ว มักเผ็ดมักเกลือก็มีแล้วเสื้อผ้าก็มีแล้วเงินก็มีแล้วมันมีเขายังงวะคันมีเข้าอันใดกันไหลเข้ามานี่มันม네ีเขาเนี่วันนี้ทุกเข้าทุกเขามันมืดเหมือนทุกมันไหลเข้ามาเนี่ยบ่มีเขากินก็ทุกเหมือบ่มีปักเผ็ดมักเกลือกินมันก็ทุกเหบือนบ่มีเกลือบ่มีปลาแดกกินมันก็ทุกเหบือนทุกเข้าทุกเข้าเสื้อผ้ากับบ่มีก็ทุกเข้าสิเงินบ่มีก็ทุกเข้าสิ เมื่อพอบุมีจีหน่ก็ทุกเขาเถอะทุกเขาทุกเขาเถอมันพุกเพิ่งว่าอันนั้นมันหุ่จักพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพุกนี่เด้ว่าเป็นสอนเรื่องอื่นเด้อันนี้พ่อว่ายฟังนี่ญาพ่อบสร้างจีว่าบนอื่นเล้พาะว่ากันว่าบนอื่นหลายมันเมื่อหนึ่งว่าขมนึงเมื่อนึ่งว่าขมนึงมันบอกไม่ขมสัตว์ขมจริงไม่อย่างนี้ขมสัตว์ขมจริงหมายถึงเว่าจะขมจริงในสู้กันฟังเนี่ย สัจจะจริงก็ไม่ของจริงมันหลายอย่างในสัจจะเนี่ยบุไม่ค่มเดียวเลยคันว่าให้ฟังนะที่เกเลยว่าสัจจะคือเฮาทุกเขาเป็นสัจจะอันนึงเฮารวยก็เป็นสัจจะอันนึงเฮามีเข้ากินก็มีสัจจะอันนึงเฮาบุมีเข้ากินก็มีสัจจะอันนึงสัจจะคือเฮาพวกของจริงอันนี้พวกคนจําได้อันนี้เฮาเว้าเฮาจากกันได้สัจจะ อันนึงอีกตื้มที่เนี่ยพอว่าอยู่นี่นะ่ะคือควรตายนี่นะทุกคนตายแทๆ้ๆดีนะี่อันนี้ควมจริงทแท้ๆเนี่ยเปี้ยนแปลงบ่ได้ทแท้ๆอันนี้เกิดผู้หนึ่งก็ตายผู้หนึ่งเกิดสองคนก็ตายสองคนเกิดร้อยคนพันค น, คนก็ตายร้อยคนพันคนบหมเขาเลยยันเนี่ยไปยันตายขย่านตายเพื่ออยากมาเกิดเหมือนเนี่ยนันก็อยากมาตายสนะคนคนเกิดมาเจียวมีที่พึง่ง ที่อาจใสมีแต่ยานแต่ปัวกันนะทานยานทุกสิ่งทุกอย่างเขาเนี่ยยานตายยานผีเนี่ยยานไปตกนรกยานเมื่อเห็นกระดูกคนตายกะยายาวะ <c oughs> ดู ก, ด ก, ยะกยา น, น, น, นยอาไ้คนาหาห็นบาลูกัวลูกหอยลูกตัวหมูลูกเป็ดลูกกระเจาต้ม่น คนไปซื้อเอาก๋วยเตี๋ยวเขาเจ้าเอาอย่างขาเจ้าไปตักเอาหน้ามันน้มาให้ก๋วยเตี๋ยวให้เขากินเขาก็ยังกินได้แบบนี้อันบุกคนนํามาจีบภาษาไม่ยังมาจีบยานเห็ดยังยานพอเขาบกหูเหมืนบอกเขาบกหูนี่นะเขายานไปทุกอันที่ซื้อนีนะยานผี่ยานเทวดาไปยานหัวมันเห็ดยังของบุญมียานคนจะเอาขมาตีนี่มันยังแม้ยานแต่รักของเขาเขาจีบจับไปเข้าเขาตลาดนี่มันยังแม่นนนอัี้ ยานของว่ามีไปยานเฮ็ดหยังลูกมัวลูกขวยห่อนหยังโบยานลูกคนไปยานเฮ็ดหยังมันจี้เฮ็ดหยังให้กระดูกัะนะตายแล้วนะมันจี้เฮ็ดหยังโบคันมันย่างมันย่างไปโบมบยย่างซีนคนนี่กับยานกันผัวมีอายุนํากันนี่นะเมื่อยุ่งนำกันโบยานตายแล้วก็ยยานกันลดทันทีเนี่ยขาดพี่ขาดนองขาดลูกขาดผัวขาดเมียการลดอดดอกไม้ไปให้สังกบมองเฮ็ดต่บ้านเฮ็ดไปบ้าบ้าไปสัง คนโง่เทตุทางสั้นมันช่เป็นคนสลาดบบนั่นใช่เป็นคาดมันไม่หยังขาเมื่ออยู่เดียวกันหักกันแทงกันคันตายกันแล้่าจะเข้าไปหักกันบอดาเนี่ยให้ห้องหักกันให้หัวมันเห็นหยังบ่วผู้ใดแล้นมันบูฮูมันเป็นทางสั้นอย่างไรต้องปฏิบัติให้มันฮู้ให้มันฮู้แท้ๆดีนะเมื่อมันฮูแท้ๆเนี่ก็ศักดิ์จากไปว่าของจริงจริงว่ามันมีอยู่ย้ามันมีอยู่เนี่ยเาหักพร้อมน้ํำมันไว้ซื้อดีน่ะ คล้ายๆคือว่ามันมีของค้อมหน้ามันไว้หรือว่าเาอาคันเนี่ยตัวงอมันของมันมีอยู่หั่นไว้ซื่อนี่นะยังว่าเราทำข่มรู้สึกให้ข่มรู้สึกเนี่ไปเปิดมันออกมันจะคอยเห็นค่อยหู้ไปซื่อนี่นะยังว่ายากพูดยาคุยกันมากให้ข่มหัวไม่ได้ทําหน้าที่ของมันอัญญาพวาเนี่ยเป็นเมื่อสุขุนล่ะเจ้าหัวก็เป็นไอ้จัวก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเมื่อ บวชก็ได้โมบวชก็ได้เฮียนหนังสือกับปฏิบัติได้บวเฮียนหนังสือกับปฏิบัติได้คนจนกับปฏิบัติคนรวยกับปฏิบัติได้ขอปฏิบัติให้หัวตัวเองมันจริงจีิงโปฏิบัติได้ของมันนี่อยู่ในตัวเองเนี่ยนี่คือคำว่าสัจจาอันนี้ก็ได้สัจจาเป็นของจริงคนวายังไงเขาเคยได้ยินเนี่ยธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านั้นมันมีแล้วเอ้คนวา หากว่ามีคนซอกว่ามีคนหามีได้อยากได้บุญมิได้ไปทําบุญทําบุญนั่นแหละมันก็เลยได้บาปขึ้นมาขโมยหุ่นจากบาปสร้างโบสสร้างสิ่นสร้างศาลาสร้างอุติสร้างโอ้ยให้ว่าสร้างเนี่ก็สร้างเถอะไปมันโบแล้มือเดียวเน๊สร้างอย่างน้อยมันต้องสี่มือห้ามือหรือปีหนึ่งพุ่นสร้างบสถ์ทนแล้วผิดกันเนี่ยบาปและอันผิดอันเที่ยงกันน่ะบัมีเรื่องไหยังอันตัวบาปแด้อันตัวมันผิดกันนั้น โตบูหูยังผิดกันเมืนบอกยังเทียงกันนั่นจิว่าเจ้าของหูบอกหูอันหูแบบนั้นหูแบบผิดแบบเถียงกันพุนูนมันบนบ น, บนหู้แบบเสาเนี่ยหู้แลซซ้วเสาซื้อนีนะเสาแล้วมันเป็นอยี้ย้อนมันจิบผิดกันเนี่ยพูนนึ่งใจหายกันอนี้ตกนรกเลยในเะจ้าหันเนาะแต่หันพัวเมียยืดดึงกันผู้ผัวเคียดขึ้นมาโอ้ยเจ้าเนี่ไปตกนรกเนาะกันน่าอายขึ้นรถแต่หนูผู้พัวกัน ขันพุธเมียโกยขึ้นมาโอ้ยเจนั่นไปตกนั่นลกให้ยังว่าท่านนั่นโลกอยูาอ่างเจ้ากโกยท่า น, นทุกข์ น, นั่นก็อายขึ้นมาว่ากันหลายเทือกตลาดทีมากันเลยโบโก้แตเสมือนมีเรื่องก็อายเลยว่าแบนั้นอายผัวอายเมียกันไ่เป็นอายนั้นเนาะอายความเว้าขัาด น, น่ะเนี่ยคนสอนกันทางนจริงว่ามีผัวมีเมียอยู่กับสบายให้มีเข้ามีเงินมีเฮือนนอนคนว่าเอิ้นโลกียะทมอันนั้นสุขด้วยโลกียะสุขด้วยมีเงินสุขด้วยมีอ เฮือนมีให้มีนาเพื่อนโลกีนี่ยสุขสุขมีมั่วมีเพื่อนเพื่นไว้สันโลกุตรสุขเขายังโยมันบสถุกเพียเห็นคนเว้าคนจาเนี่ยไปใส่มาใส่กับโบสถุกเนี่ยเพื่อนโลกันโลกุตรสุขเพื่อนโรกุตระรมโลกีเนี่ยทำกับโลกุตรรทำที่มันไปนำกันเพื่อนไว้สันอันนี้เขาเรียกว่าโบได้ดอกเฮจนะกระบโได้ดอกขันได้ยังตั้นกัเป็นพระอรหันต์แล้วสันเอา เขางจริงจะไปเป็นพระอรหันต์ยังไงเฮาเบื้องตัวเฮาเนี่ยว่าเป็นพระอรหันต์กระไดนี่นะพระอรหันต์แบบคนเว้านั้นน่ะนั่งอยู่นี่เห็นไปเมื่อศรุใสกับเมิดนับเป็นเห็นเม็ดใสในท้องมหาสมุทรทะเลก็หัวจักเหมือนโอ้พระอรหันต์แบบใดแบบนั้นคนมาว่าให้มันยังเครียดอยู่เนี่ยมันยังไปเว่าเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยมันจีเป็นพระอรหันต์ยังไดยังสันนะ มันก็เป็นผีสนวาคนก็เป็นผีได้นี่นะทำไมเจ้าเป็นผียเจ้ามันพูดซั่วมันทำซัวมันคิดซัวอยู่นะเฮาก็อย่์ว่าในบักผีมันจะเกิดมันเวายาเนี่ยอันคนเวายาเธอเอินผีมันสมมติว้าขันพยิงกับอีผีเนี่ยอีผีห้าเนี่ยบักผีห้าเนี่ยมันเป็นห้าอันนั้นมากินคนบ้านเฮานั้นขันมาเป็นผีห้ามาเนอะเอาหัวล้อมแล้วก็อาศัยผีเอาสัน มันจีให้อย่างไดคนนี่บุหุจักเซื่อเนี่ยมันจีบหายตายหงเพื่อนผีห้าอันนั้นนะขันป้อยขันดามันจิบหายมันเครียดผัวเมียกันกับบุหุจักให้การบเให้งานมีเงินมีทองอยากเอาไปซื้อไปจ่ายให้มันเหมิดเป็นมันเครียดแค้ขันเนี่ยนั่นลูกก็คือกันแค่ให้พอให้เมยและบุให้การให้งานนี่ยมันเป็นผีห้ามันจีบหายอันนั้นนะเสา เลิกขของนักสั่นนะนักกระโบมีห้ามเด็ดขาดดอกวายฝังซื้อๆไผมักเลยก็เลือกเอาคันมักยังสั้นก็เอาไปรถบโมีห้ามเพราะมันโบผิด ก, กฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาก็ห้ามอยู่แต่วายเฮ็ดได้มันโบ ถ, ถึงจําคุกโบติดคุกติดตารางไม่ยัง้งแต่ควัญพี่นาจีบหามันจะเกิดขึ้นมาหาเฮานี้คันเฮาหูวจักเขารบนับถือกันแล้วก็อโอเมื่อวานนี้เขาผิดกันสบายโบยเจ้าขันผิดกันไม่โบสบายโอ้เฮานี้ก็เม่นโผดเนาะ เมื่อเป็นนุ่มเป็นสาวเขายังยุ่งดํากันได้เขายังมากกันยังหักยังแพงกันเขายังมาเอากันเรื่องห่อจีผิดกันไม่อย่างว่าอย่างนั้นมันกด็ดีสื่อนี่เศร้าซะเมื่อวานนี่นะ่ะทั้งเป็นนี่ไปห่อยาสุ้ผิดสุเทียงกันมันก็แล้ว ส, สื่อนี่นะ่ะมันได้บุมีเรื่องเนี่ยพอเพื่อนเทวดาอันนั้นทีนี้ผมละอายแกใจกันอด ต, ตะปะาขูมเกง่งกลัวตัวบ้า่าทันเราต้องพยายามมั่นวามันลมกันทั้งสี่ส่วนคันบพรว่าบ่ญลมกันแล้วมันก็ขาด ขาดสังคมขาดความหักความแพงการเป็ น, นวานสั้นพ่อแม่ ห, ห่อสอนกินข้าวโฮมพาวสั้นกินปลาโฮมต้อนแต่แเป็นวานเลือดหักเลือแพงกเดี๋ยวนี้กินข้าวกับเบญกินน้ําขันเนี่ยเนี่ยพ่อไปเห็นอคนขายน้ํามันขายน้ํามันอยู่ปั้มน้ํามันดูไปมีสามคนหรือสี่คนเนี่ออยพ่อก็จําบอได้เห็นนั่งกินขา้าวสองคนไปซื้ออาไว้เตรียมมากิน กินก๋วยเตี๋ยวอันของไัยหมืแล้วก็แล้วไปสื้อบัวเอาไปส่งกันได้เอาเข้าไปส่งบนบนเขาเอาให้ก๋วยเตี๋ยวขายนี่ก็ได้แล้วก็ะโบปากโบว่านํากันเนี่ยยู้นำกันจริงเข้าคนละขันกันแล้วจกิเข้าวคนละจานกันแล้วมันจีดีบ่ครับท่นมันก็ะโบดีแล้วเฮากินข้าวพาเดียวกันเนี่ยครับลูกกับหลานกับพวกกับมีอกันเนี่ยแล้วก็เว่าวกระมกันฮห้ทังได้ยังสิเวลากินข้าวนั้นอย่าปากอย่าเว่าอย่าคุยมันโบดี พ่อเนยพ่อสอนทางสันแม่ยักสอนกรบโบสอนยักปากกระโบปากยักษว่ากระโบว่าตั้งแต่กินข้าวซื้อนี่ลูกค้าไม่มีคนผิดมานะคันไปบอกมันมันจิบุกินข้ามกินข้าแล้วมันบุกินซ้ำมันนีมันเครียดเด็กผัวเมียก็คือกันคันไปบอกกันกับผ่าเขามันเครียดมันได้จิบุกินซ้ำให้มันกินข้าวดีดีแต่แล้วก็โอ้เมื่อนี้อยากมีความว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเอินมาเอิญผัวเอิญเมียเอิญลูกมา ลูกให้ดังสันโบดีแม่ให้ดังสันโบดีพ่อโบดีเอาว่าให้แม่ว่าให้ลูกว่าฟังความการนันส้สิมันรสสบายเลยลูกเขาก็จะพอใจของพ่อแม่เขาก็ว่ากันได้นี่ยผัวเมียก็จะพอใจบปนเนี้ยเดี๋ยวนี้ปูมะขามหลายนี้เนยเฮ็ดจนมะขามก็าจได้ขายมะขามได้ไหมเนี้ยไปเอามะขามเพชรบุรีมาปลูกสักไซไปนเนี้มันก็จะได้ขายมะขามได้กินได้ทั้งเสียผัวเด็กผวมีก็จะได้มาซื้อเขาได้ทั้งเส่ะ แล้ปลูกผักอีกเรือบนเนี่ยปลูกผักกะลัอเอาไปขายก็ยิ่งมีคนซื้อบอนเนี่ยผู้ที่ค้างกับบได้กินแล้วนี่เป็นอังตันเลยอันที่นํามาเว่าให้ฟังนี่เนี่ยธรรมะธรรมะคือโตเฮานี่เนี่ยทาดีเพุทธเอินว่าธรรม ะ, ท, ะทําโซเพุทธเอิญว่าอธรรมะท่านโกตรขึ้นมาเพุทธเอิ้นรกบ่ท่นโบโกตรขึ้นมาท่านยูดีกินดีเพุทธเอิญเมืองสวรรค์บ่ั่นสวรรค์จังอยู่ในอกนรกจึงอยู่ที่ใจ พระนิพพานก็อยู่ที่ใจอันพระนิพพานในพระเอิญหลวงปู่ตาล่รทำมันบกโกดบกเครียดนี่แหละพระเอินโลกุปตรล่ารำอันสวรรค์นั่นก็คือตาก็เบื่งอันดีหูกระฟังอันม้วนดังกระดมอันหอมกินเขาเข้าไปนี่ก็กินอันมีรสมีซ่าดนอนลงไปกระเถืกเสื้อเถือกผ้าอันนุ่มอันนอนบนแม่นนอนมักตําแงขันนอนมักตําแงแถวมันขันมันขายได้เน่ยมันนรกก็ได้นั่นวันนี้เพระเอิญเมืองสวรรค์อยู่นี้ บันิสวรรค์หกสันน่ะจะไปซอกมันเถื่อให้เห็นอันนี้นี่แหละอยี่ยพ่อเฮียนมาแล้วโดยเมื่อเป็นเนนยาตูมมหาราชิกาเทวาสาธมนุษย์าเวสุงยาตูมมหาริกานั่งเทวานางสัตตังทุตตะวะธรรมจักนี่นั่นเฮียนธรรมจักในมณงกลางแล้วไปยื่ใส่หัวสันฝาบุาเห็นอยากเถื่อแลว้วบุยเห็นปุ้มหจักตัวเองมาจีหัวจักบก่เนี่ยแหละทําบุญมันโบได้บุญมันโบได้จีไ ด, ได้เฮ็ดหนัง มันบุหุจักเนี่ยถามเมื่อวานนี้ถามมุขเจ้าห ม, มาเมื่อวานนี้มุขขจ้าว่ากองขี้ไก่กมันเม็ดบอ่ถามมู่เดี๋ยวนี้ก็บหุจักเดี๋ยวนี้เนี่ยกองขี้ไกลเม็ดบ อ, อระว่างนี้นนแล้วเค ย, ย, คย เ, เยียดี้ไก่จากเธอบอสเนี่ยมันหุจักกองขี้ไก่หักบนบนบุหุจักมันบุยเห็นอยากไปเยียดอันนี้ก็คือกนันแล่นหุจักบาปอยู่วราบาปอยู่หุจักอยู่หักบุหุจักมันมันโกดพูนน้นั้นโกดนั่นและบาปบุญได้หุจักอยู่ มีแต่เบาซื้อหักใจหาย เ, <c oughs> เห็นบอกลูกเธอนะี่ยฝันไหมสีไหมตัดย้ําเปนห้าบันเทียงลูกหลานไปหาฝันโปกๆเปก๊ปกๆอยู่ฮอันนี้ให้ใครได้พอบอกหรือว่าอาวัยมึงจะมามอ ก, กูได้กูใจหายเด้เนี่เว่าเป็นคือจิตายนี่บอกทังเสีย <c oughs> คันหัวจะเอามาจะให้ก็เที่ยงใส่หมากแล้วซื้อนี่นนะมันเว้าเป็นอย่างไะอันคนเล่าเป็นที่มีประโยชน์บอกอย่า พูด้อยคําำมื่นคําแสงคํากระทำสร้างสู้การกระทำบุได้ผนว่าจังหวะจังหวะอย่าขาดอย่าปากอย่าเวาเฮ็ดจังหวะให้มากเดินจมกลมให้มากมันจรูดแท้ๆอพอเดว่ามาถึงจิตละก็เลยจีว่าเรื่องที่เขาจีประสบเอาจริงๆนี้บุพคลจริงๆเขาจีตายไปด้วยความทุกข์หรือเขาจีตายไปด้วยหัวบุบิทุกอันความทุกข์ดูเดี๋ยวนี้นี่เป็นอีกเรื่องห น, นึ่งเลย เนี่ยพอจีวานี่ทุกบัดเขาจิตตายพุดนี่ยเพื่อนเอิญเข้าสารตายกว่าฉันอันเขาสารนั้นบุญม่อกิเข้าไปหาะไปโยงโ ย, ยงไปบุญเม่อเนี่ยตอนนี้อันเขาสารตายแบบเนี่ยพอวานี่เขาจิตตายขเขาจิตเหตุยังไงเขาต้องมาเบิ่งใจเหานี้มันคิดให้หูวจักมันคิดให้หูวจักอย่าสู้เข้ากลับไปนะผมคิดเขาเบิ่งมือสิเบิ่งสิเดี๋ยวเนี่ยอเลยหูวจักเนี่ยพอก็ตอนเศร้าคือกัน คนเศร้าคนละเศร้ากันแบบนี้อันนั้นเศร้าเมื่อเห็นรูปน้ำอันนึงเศร้ามื่อเห็นอันนี้อันนึงเหมือนคนละเศร้ากันเนี่ยแบบนี้เป็นอ่ะย่างพอเคยวาให้หมู่ฟังเขาเอามือไปจับก้นเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยก้นมันแดงบบเอามือไปแปะจนมันขาวมดจืดมดเคยบีบมือผู้ใดญหู้เนี่ยลงลงผู้อินบทุ่นบีบอันนี้หัวมือยับบีบมือกูแหงไม่เหมืนเราอ่ะบีบไว้มือลงผู้อินก็เป็นมือเจ้าของพัฒนานี่แหละบีบต้งเสีย บีือนมันก็แดงวางปั๊บม really ันขาวมันขาวเมื่อพอดีหัวจักอันนี้มันขาดยจดเลือดบังกลับเขินเมดมันบบมันโบออกไปเลือดเนี่ยเนียพออย่างมันไว้ฝังเอาเสื้อมัดต้นเสาเบื้องนั้นมัดต้นเสาเบื้องตัดตรงกลางแล้วขาดเสดงเข้ามาอยู่เข้าสู่สภาพเบื้องนี้เบื่องดึงไปฮอตพับเบื้องนั้นมันติดกับเสาตามเดิมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเขาเจี๊ยบศพเอาวนนี้แหละแน่นอนที่สุด อันนี้หละสัจจะแท้ๆลอันสัจจะคือความจริงบ่มีจากคนยีบัตายผู้ตายกระตายผู้ยิงกระตายบ้วกรกะตายบ่บ้วกระตายทุกกระตายรวยกระตายจึงว่าสัจจะคือความจริงเปลี่ยนแปลงบ่ได้เพิ่งว่าขัานพุเห็นอันนี้แล้วยานเนี่ยขนยานตายให้ว่ายานเพากระดูกให้ว่าจะไปเห็นอันนี้แล้วบ่ยานเนี่ยก็ดูกยานยานดุกงอดุกคัวยอมัดซอยมาต้มกิน เนื้อหนังงัวหนังควยหนังหมูเอามาซ อ, อยมาต้มกินสิ้นเต็ดสิ้นไกล้สิ้นงวงสิ้นควยมาต้มมาเกีย้ยสิ้นคนพยานอีกเติมสิ้นนั้นยานบ่มีเรื่องแต่แท้ได้เหานี่ยเมื่อหัวจักเส้นไว้มันบพยานจะว่าลู่เท้าลู่ทันลู่กันลู่แก่รู้จักไปสู้แง่สู้มุมให้สัญญาตัวนี้แหละมันทำหน้าที่ของมันเดี๋ยวนี้นี่เหามีแต่ปากมีแต่เวา้า มีแต่เหตุอันอื่นเลี้ยวไปแต่พุ่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นบ้านเห็นเฮือนไว้พอกลับเข้ามาเบื้องตัวเห่าจากเทื่อเมื่อเหากลับเข้ามาเบื้งตัวเห่าเราจะเห็นตัวเห่ากําลังเคลื่อนกําลังไหวกําลังนึกกําลังคิดเราจะเห็นตัวเห่าเมื่อเห็นตัวเห่าแล้วมันก็จะเห็นมากเข้ามาเข้ามาเข้าฟว่มฟูเห็นแล้ก็จีจืดไปจางไปจ hmm. out. ืดไปจางไปมันก็จี้หมดพอได้มาคิดต๊บเห็นปั๊บทันทีเลย คิดปเห็นป้าไปจะขาดการถบปเดี๋ยวเลือดไปจิกลับขืนมัดเนี่ยพอเป็นสารพวกอื้อจี้เป็นท่านใดใจเนี่ยพอบู้จักเน่ยพอเป็นวาผมคีในฝั่งนี่แหละสัจจะเน่ยพอที่ต้องการว่าให้พ่อให้แม่ให้ไอ้ให้น้องให้ลูกให้หลานปฏิบัติเนี่ยมันอจีเป็นอันนี้เนี่ยเมื่อเป็นอันนี้แล้วตายก็จิ้หัจักล้นนี่น่ะโอ้กูจีเป็นอย่างเสียสนิทมันได้ตายไปที่เดี๋ยวนี้นี่นะยังว่าตายเสียคอนตายจะเป็นว่าตายเป็นอันนี้พระเนเอิญเข้าสารตายเขาเคยได้ยินเนี่ย พระมย่งพระอนุรุทธะพระมิ่งหัวอย่างพอบุหุจักเขาสารตายกับพระพุทธเจ้าสันเขาสารมันทีเข้าไปได้จังดามันหุจักโห้หายใจญานนั้นมาที่เป็นนางสันญานั้นมาที่เป็นนางสันโอ้สันอันนี้นี่แหละข่ววมจริงแท้ๆอันเนี้ยบ่ผิดแท้ๆขันว่าจังซี่ขจิวะธรรมะว่าพูดอวดอุตรีมนุษยาธรรมคือทำอันยิ่งของไม่มีในต้นห า, ากจะคมเป็นพิสูจ ต, ต้องอบาบัติ เป็นประหลาดศิกปัญจวานย่่าเป็นกับเรื่องสมมูติี่ตัอันปรลาศิกได้มเหมือนมือแต่หูวจักหมายถึงมันมืดหูวจักอันนี้แล้วมันจี้หัจักไปมืดส่แสกไปเหมดละหัวจักทุกแง่ทุกมุมแล้วคนมันขาดเลยเด้อันนี้แหละอายุนทร์าสบสองตาเบิ้งผู้ยิงกับหัจักก็เป็นผู้ยิงตาเบิ้งผู้สายก็บู้จักกาเป็นผู้สายอันช่วยอันงานนั้นมันจะบูติดกันเพร่นมันขาดออกจากกันดังนั้น คนที่ไปในพาจิชบกับค <c oughs> ืนมัเก์ตื้มผินหวังอย่างสันต <sto alling> ิซื้อนี่นะแล้วเฮาเมื่อใดที่เห็นเนี่จีหูบนหูได้ขอยบุหิตแท้ๆแท้ๆได้อย่างไรอันที่ฟังแต่ปากแต่เ้าอยู่อันหูจักธรรมะ